จเจิญพนทุกทุกท่านเดือนหนึ่งมาเชอกันครั้งหนึ่งคอยวัดใจของเราแต่ละเดือนมีความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างแล้วสามเดือนคอยดูเอง ในช่วงสามเดือนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะการปฏิบัติเราไม่วัดรายวันเพราะแต่ละวันนี้จิตจเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเราใช้เวลาช่วงหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติของตัวเองช่วงสามเดือนนี้จะดูได้ชัด ว่สาสมเดือนนี้กับสามเดือนก่อนเนี่ยเราจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัตินีกกี่ปีกี่ชาติก็เหมือนเดิมครูบาอาจารย์เคยบอกคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนี่ใส่ใจคอนะ่งพันปียังไม่เปลี่ยนเลยแต่ถ้าเราภาวนาถูกลักถูกเกณฑ์เราจะเปลี่ยน ตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยในโช่วงสามเดือนเราก็จะเห็นมีมีผลของการปฏิบัติการปฏิบัติเราวัดที่ใจของเราเองนะสังเกตเรียนรู้ลงไปที่ใจภาวนาแล้วก็จะพบว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงเราเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยแล้วก็ ทำผิดศีลไม่ลงเวลาจะทำผิดศีลนะั้นมันละอายแก่ใจมันมีฮิริมีโอตัดปะเกิดขึ้นเราเเก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มีความต้องการไม่รู้จักจบจักสิ้นเมียดเบียนแย่งชิงคนอื่นหน้าตาเฉยความรู้สึกที่ยากเบียดเบียนแย่งชิงคนอื่นนมันจะหายไปค่อยๆลดลงลดลง มันจะมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรด้วยความเข้าเข้าใจเห็นอกเห็นใจมันเกิดความเมตตาขึ้นมาแทนที่จะเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อเนี่ยถ้าเราภาวนาเราจะเห็นแต่เดิมเราเห็นคนอื่นเป็นเหยื่อกระทั่งชอบสาวสักคนหนึ่งเห็นสาวเป็นเหยื่อเราหลอกล่อมาให้ได้นี่พอะใจมันมี สติมีปัญญาเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นนะกิเลสมันทํางานได้ไม่เต็มที่นละเคยละโมบโลบมากเห็นก็ได้ก็รู้จักคําว่าแบ่งปันรู้จักการแบ่งปันการช่วยเหลือนะบางทีเราก็ต้องฝึกเหมือนกันบางทีเราก็มองข้ามนะนักปฏิบัติเราคิดว่าเราจเจริญปัญญาแล้วเรื่องฐานเรื่องศีลอะไรไม่สําคัญที่สิ่งสําคัญ อย่างเราช่วงนี้ฤดูหนาวแนละ้วเราลองไปสำรวจในบ้านเราเนสะื้อผ้าเราที่เราไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วซื้อมาเยอะแยะนะบางตัวแทบไม่ได้ใช้เลยซื้อมาตุนไว้เก็บไว้ถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอาไปให้คนอื่นเขาบ้างเนี่ยไปลองขับไปสำรวจดูนะสงสารคนอื่นกขใจมันจะเปลี่ยนแปลงนะ พภาวนาจากเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เกิด ค, ความเมตตากรุณาขึ้นมาจากเคยทำผิดศีลหน้าตาเฉยไม่รู้ผิดชอบชัว่วดีก็ทำผิดศีลไม่ได้มีฮีรีลายแก่ใจที่จะทำชั่วคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้คนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ตัวเองวันนี้ทำอะไรที่ไม่งดงามแล้วถ้า พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าจะตําหนิหรือครูบาอาจารย์ถ้าท่านรู้ท่านก็ตําหนิพวกเทพพวกพรหมพวกเหล่านี้ก็มีอยู่เราภาวนาเขาอนุโมทนาเราทําดีอนุโมทนาเราทําผิดศีลผิดธรรมเขาลังเกียจเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ะว่า หลวงปุ่มันนะ่น่ะท่านเคยไปทำเทวดามาหาท่านเรื่อยๆนะค่อยๆมาได้ทุกวิถวนะท่านถามเทวดาบอกว่ า, วาได้ข่าวว่าเทวดาหลังเกียดมนุษย์ไม่ใช่เหรอว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหม็นมากเทวดาเคยไปทูลพระพุทธเจ้านะว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยเหม็นหนึ่งร้อยโยกกลิ่นแรงมากเลยร้อยโยกก็คือพันหร้ยกิโล พัหนหกร้อยกิโเมตรเทวดาไม่เข้าใกล้หรอกเพราะฉะั้นอย่างพวกที่บอกเข้าสรงเทวดาเนี่ยไม่จริงหรอกนะเป็นไปไม่ได้อย่างจะให้เราไปเข้าส่งนอนที่อยู่ในอุจจาระเนี่ยเราเข้าไม่ลงอ่ะนะเข้าไม่ได้หลพ่อมกจะถามเทวดาว่าทำไมชอบมหมาไม่เหม็นเลยเทวดาบอกว่าเขาหอมหอมกลิ่นของศีล เวลาจิตของเราดีนะเพราะจิตดีเนี่ยเวลาพวกเทพพลมอะไรมาติดต่อด้วยนยจิตมันจะสร้างคล้ยๆถ้าพูดภาษาทั่วๆไปก็รสร้างกายทิพย์ขึ้นมาที่จริงเป็นการสร้างรูปที่ละเอียดขึ้นมานะเพื่อจะสื่อจูนให้สัญญาณมันตรงกันทเทวดามีรูปละเอียดเวลา ครูบาอาจารย์จะคุยกับเทวดาหรือพระพุทธเจ้าจะคุยกับเทวดาท่านก็มีกายที่ละเอียดเสมอกันคุยกันได้จิตที่ผ่องใสมันสร้างกายทิพย์ที่ผ่องใสขห้นมากายทิพยที่ผ่องใสสว่างสวายกระจ่างจ้าแล้วก็กดงามนะแล้วหอมหอมได้อัตโนมัติเลย งั้นเทวดามาฟังธรรมอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องเกียดแต่ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยเทวดายังร้งเกียดไม่ต้องนับถึงคนชั่วนะคนชั่วเนี่ยกายทิพเม็นมากๆเลยอย่างกายทิพของวกอสุรกายพวกเปรต น, นี่เหม็นสุดๆเลยนะไปพูดเรื่องผีสางนางไม้ตาโตกันเป็นแถวเลย หลองพ่อจะบอกว่าให้ถือศีไนะลไว้ถ้าเรามีศีล น, นะจิตใจเราผ่องใสกายหยาบกายละเอียดก็ผ่องใสกายหยาบก็ผ่องใสนะอย่างเส้นผมเราอะไรเงี้ยมันก็ยังแปรสภาพรวมตัวขึ้นมานะแปรสภาพได้กระดูกฟันอะไรพวกนี้ก็แปรสภาพใสขึ้นมาได้ก็นะะทั่งวัตถุมันยังใสขึ้นเลย ไม่ใช่เรื่องแปลกจิต ท, ที่มันสดใสมันก็ทําให้กายเนี่ยสดใสไปด้วยเดีย๋ยวพวกเรารู้สึกไหมวันไหนที่เราภาวนาดีจิตใจเราดีหน้าตาเราสดใสนะมันสว่างสบายสดใสวันไหนจิตใจเราเศร้าหมองนะไปดูกระจกเรียนดูไม่ได้เลยดําพิษปีเลยนะมันดูกันออกความพันเนี้ยดูตัวเองก็ อ, ออก งั้เราพยายามสร้างคุณงามความดีไว้จะสร้างคุณงามความดีก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาคุ้มครองรักษาจิตเราไปคุ้มครองรักษาจิตไม่ได้สติเป็นผู้รักษาจิตเมืสติจะทําหน้าที่คุ้มครองทําหน้าที่อาราาักขาหน้าที่เราก็คือมีสติบ่อยๆ จะมีสติได้บ่อยก็ต้องหัดดูสภาวะอย่าเราหัดดูใจของเราใจเราผ่องใสรู้สึกใจเศร้าหมองรู้สึกใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วใจโลภใจโกรธใจหลงคอยรู้สึกไปกานที่เรารู้สึกเนืองๆรู้สึกบ่อยๆเนี่ยสติเราจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ความเห็นแก่ตัวมันจะลดลง การทำทานเนี่ยทำได้ดีขึ้นบางคนบอกว่าดิฉันทำทานเสมอนะที่ไหนมีการรับบริจาคแล้วออกทีวีด้วยนะดิฉันจะชอบมากเลยนะอย่างนี้มันทำมีกิเลสแฝงนะได้บุญเล็กน้อยทำไปเพื่อสนองกิเลสอย่างเราทำสังคมสงเคราะห์อะไรเนี่ยนะให้นังสือพิมพ์ลงข่าวอะไรต่อได้ ล้วก็รู้สึกภูมิใจอันนี้ได้ผลนิดเดีย ว, วเพราะมันเจือกิเลสมันเจือความหน้าใหญ่อยากได้หน้าก็าสนองอัตตาตัวตนแทนที่จะลดละกิเลสกับพอกพูนกิเลสเราะนั้นทำทานก็ไม่ใช่ว่าจะลดละกิเลสได้นะบางทีพอกพูนกิเลสก็ได้ถือศีลบางทีก็พอกพูนกิเลสถือศีลแล้วก็เอาหน้า ถือศีลบางทีไม่ได้ไปออหอน้ากับใครนะแต่ใจเนี่ยเห็นคนอื่นไม่มีศีลเนี่ยนะมันดูดูเกียดย์ยามเขานะรู้สึกกูดีกว่าเขาเธอเนี่ยเลวจริงๆเลแต่ปากยังไม่พูดเลยนะแต่ใจเนี่ยมันทำมโนกรรมเป็นมโนกรรมงั้นถือศีลทำทานถือศีลเพื่อจะมีหน้ามีตาสนองกิเลสได้บุญน้อยเต็มที ถ้าทำเพื่อลดละกิเลสได้บุญเยอะย่งเราทำทานด้ยวยความเมตตาทาทานด้ยวยความเมตตาไม่ใช่อยู่ๆเอาเงินไปแจกเอาเสื้อไปแจกอะไรงแั้นนะเราดูว่าคนที่เราจะสงเคราะห์เนี่ยเขามีความจำเป็นต้องการอะไรเราให้สิ่งที่เขาต้องการเขาได้รับประโยชน์สูงสุดนเราเอาเงินไปแจกบางยุคบางสมัยนั้นก็แจกเงินเฉยๆได้ แจกแจกกันไปคนก็ไปกินเหล้านะไม่ได้มีประโยชน์เลยจะไปส่งเสริมใเขาทําช่วยอีกแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรนะอย่างบางคนเนะี่ยเขาต้องการความรู้นะก็ให้ความรู้เขามันก็เป็นทานเหมือนกันเนะีนะ่ยทําปฏิบตัติต่อผู้อื่นต่อสัตว์อื่นด้วยจิตใจที่เมตตาคือมีความรู้สึกเป็นมิตรเป็นญาติเป็นมิตรกัน สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เดรัจฉานเราก็มีความรู้สึกเมตตากับเขาเขาก็จะรู้สึกอ่อนโยนกับเร า, าพวกสัตว์เนี่ยจะรับความรู้สึกของความเมตตาได้ง่ายอย่างหมาเนี่ยนะมันวิ่งผ่านไปเห็นหน้าคนเนี้ยมันวิ่งเข้าหาเลยเห็นอีกคนหนึ่งนะมันหางจุกขนะ้อเนี่ยวิ่งหนีเลยนะเพราะมันรู้กระแสมาหิตมันมีเียพลังหมานเยอะ พลังเมตตาเยอะสัตว์ยังเข้ามาหางูงเหี้ยอะไรงี้ก็ยังเข้ามาหานะทุกกงตุกแกอะไรมาพันเยอะแยะเลยเงินที่วัดหลวงพ่อนะไก่ป่าเนี่ยเพียบเลยไก่ป่าที่ว่าเลี้ยงไม่เชื่องไม่เชื่องนะไก่ป่าที่วัดหลวงพ่อเชื่องนะเยอะแยะเห็นคนไม่หนีหรอกที่เราเดินผ่านนะมันเอ๊ะี้เอ๊ะใส่เราสะดังเลยนะไม่กลัว นี่มันรู้ว่าที่นี่เป็นมิตรกับมันงั้นใจที่เป็นมิตรกับคนอื่นกับสิ่งอื่นนะเราเข้าไปตรงไหนนะคนอื่นสัตว์อื่นนเขาจะรู้สึกร่มเย็นนะร่มเย็นเขาอยากเข้าใกล้ไม่ใช่สิ่งอื่นอยากจะหนีงั้บางคนอยากมีสเสน่ห์นะอยากมีสเสน่ห์ก็ไปหาวัาตถุมงคลมาเสริมสเสน่หนะ์อะไรอย่างเงี้ย งี้เงานะงี้เงาทำตัวอย่างมยมีเสน่ห์มีเมตตาแล้วมีสเสน่ห์องอะนะมีศีลมีธรรมแล้วมีสเสน่ห์องหลวงพ่อสังเกตตัวนี้ได้ตั้งนานแล้วเราไปเห็นครูบาาจารย์พางองค์หน้าตาท่านดูไม่ได้เลยนะแล้วเทียบกับมาตรฐานสากลเนี่ยท่านไม่หล่อไม่อะไรเลยดูไม่ไม่สวยไม่งามเลยนะแต่คนนี้ชอบเข้าไปหาท่านชอบไปอยู่ใกล้ มีความสุขรู้ว่าท่านไม่เป็นพิษเป็นภยัยงั้นถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราเราก็รู้จักเมตตาคนอื่นบ้างชีวิตเราก็จะร่มเย็นถ้าเราอยู่กับคนที่เป็นศัตรูเรารอบตัวเลยเจิตใจไม่สงบลงฟุ้งซานต้องคอยระวังมันจะไปเล่นงานเราเมื่อไหร่งั้นการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นเกราะป้องกันภัยที่ดีมากๆเลยใจ จะมีเมตตาได้ต้องไม่ให้กิเลสเข้ามาแทรกเห็นถ้าโทสะามาแทรกนะเมตตาหายไปอยากทําลายล้างแทนถ้าราคาเข้ามาแทรกนะเมตตาจะเปลี่ยนเป็นราคะอยากเป็นเจ้าของอย่างเราคนนี้เราเมตตา เ, าเมตตาไปเมตตามานี่คนนี้ของเราขึ้นมาลนะห่วงขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราระวังที่จิตที่ใจเรานี่สังเกตที่จิตที่ใจไป แล้วการที่จะอยู่กับโลกเนี่ยจะอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นอยู่อย่างโปรงอย่างเบาอย่างสบายมากขึ้นไปที่ไหนก็ไม่มีใครกขาลังเกียจนะมีทานมีศีลคนที่มีศีลคนี่ยเครดติตจะดนะีอย่างถ้าเราทำธุรกิจพูดคำไหนก็คือคานั้นไม่เบี้ยวไม่หลอกลวงลูกค้าเรานะเขาก็อยากติดต่อกับเราอีก เราไปโกงเขาเนี่ยเขาก็ติดต่อครั้งเดียวเขาก็เลิกนะทุกวันนี้ทำมาหากินยากขึ้นทุกทีนะบางคนพอทำมาหากินยากเขาคิดว่าจะโกงยังไงอันนั้นคือทำลายตัวเองในระยะยาวมีศีลไวนะ้ไม่ชอบโกงใครรักษาคำพูดการทำงานของเราก็จะสะดวกสบายขึ้นในระยะยาวสมาธิ หลวงพ่อพูดตั้งแต่ทานศีลสมาธิก็สำคัญมากสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะที่ใจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคนลืมเนื้อลืมตัวจะแสดงความน่าเกลียดออกมานะอย่างสาวสวยบางคนนะหลวงพ่อก็เห็นนะสาวสวยเดินโทรศัพท์นะตอนคุยเนี่ยเผลอตัวนะเอานิ้วเนี่ยแค่ขี้ฝันนะ ติดฟันอย่างแกล้ๆอย่างเงี้ยต่อไปโทรศัพท์มันเห็นหน้าได้ด้วยนะหน่าเกลียดนะงั้นเวลาคนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะการกระทํำก็ดูน่าเกลียดคําพูดความคิดจิตใจอะไรน่าเกลียดไปหมดนะถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติรักษาจิตแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนะจิตใจเราเจะสงบจิตใจจะมีความสุข แตใจจะไม่เล้าร้อนในขณะที่คนอื่นเล้าร้อนนะเรากลับสงบสุขนะมีความสุขอยู่ได้อย่างสบายๆเลยแล้เราฝึกสมาธิของเราไปทุกวันทุกวันควรจะทำนะทุกวันควรจะปฏิบัติในรูปแบบเมื่อก่อนเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆหลวงพ่อขอวันหนึ่งให้ทําให้ได้15นาที ทีนี้ผ่านมาหลายปีแล้วสิบห้านาทีเนี่ยดููกันเกินไปแล้วทนำะไม้ได้สักครึ่งชั่วโมงพอไหวไหมหลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องจะ ท, ทําทีละสามชั่วโมงนะหรือเรียกร้องแค่ว่าไหนขยับมาจากสิบห้านาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรนะปฏิบัติในรูปแบบให้เวลาพัฒนาจิตใจตนเองนะ ให้เวลาที่จะแสวงหาคุณงามความดีในตนเองอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจชอบพุทโธก็พุทโธพุทโธไปไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบพุทโธพุทโธเพื่อรู้ทันจิตนะเราพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันพุทโธพุทโธไปนะจิตเผลอไปละลืมเนื้อลืมตัวลืมพุทโธนก็รู้ทันนะเผลอละ ขาดสติแล้วเลยพุทโธพุทโธนะใจไม่สงบและโมโหรู้ว่าใจมโมโหแล้นพุทโธเราก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปนะทํ า, ท า, ากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วค่อยอ่านใจตัวเองไปนั่นแหละเราจะได้ของดีทุกวันทำไม่ได้นะยี่สิบนาทีอย่างต่ําทําให้ได้ครึ่งชั่วโมงก็ยิ่งดีต่อไปมันจะเพิ่มได้เองนะหลวงพ่อเนี่ยทำสมาธิบันละเท่าไหร่รู้ไหม ทํา ท, ทั้งวันอย่างตอนนี้ก็มีสมาธิไม่ใช่ไม่มีสมาธิเวลาเราฝึกหน้าใจิตใจเราก็าร่มเย็นเป็นสุขแล้วสมาธิเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยเราอยู่กับโลกนะเอาสมาธิไปใช้ประโยชน์ได้ใช้ได้เยอะแยะเลยอย่างเราจะเจรจาธุรกิจนะ จิตเราเราอ่านจิตของเราชำนีชำนาญแล้วคนคู่ค้าของเราคู่เจรจาของเราเข้ามาหาเราเนี่เราเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่ามาดีหรือมารานะ้ายยกเว้นลำเอียงนะลำเยียงคนนี้สวยมาดีแน่นอนอย่างนี้ตกมาตายนะคนนี้หล่อถูกใจดีแน่นอนคนสวยคนหล่อไม่จาเป็นต้องดี ไม่ใช่มาตรฐานชาวพูดธรกสวยไม่สวยหล่อไม่รอนะรวยไม่รวยไม่ใช่มาตรฐานมีคุณอย่างความดีมีสติมีสมาธิมีปัญญานะถึงจะนับว่าดีจริงเวลาเราเกิดเรื่องทุกร้อนขึ้นมาอย่างเราขับรถอยู่รนถะคว่ำหรือรถอื่นมันกระโดดข้ามอีกฝั่งหนึ่งมาชนเราเงนี้ ในช่วงพลิบตานนะคนที่ไม่มีสมาธินะตกใจวิ่ดวายเลยทำอะไรไม่ถูกนะเห็นรถวิ่งมาจะชนเราแทนที่จะเหยียบเบรกดันไปเหยียบคันเร่งก็ไปอีกรู้สึกชนเบาไปไม่สมศักดิ์ศนระีอ้าวเละจริงจริงเนี่แต่ถ้าเรามีสมาธิเราฝึกทุกวันเราฝึกเราซ้อมของเราได้ไดยๆพอ เ, เกิดเหตุร้ายขึ้นมานะทีนี้จิตนีนดีดฝางขึ้นมาเลย จิตนดี ต, ตัวผางขึ้นมาเลยนะแล้วมันไม่มีความตกใจนะจิตดวงนี้ไม่มีความตกใจเลยมันจะสั่งร่างกายได้อย่างมีเหตุมีผลค่อยๆแต่มเบรทนะอย่าแต่มเบรคฉับพลันนะรถจะกว่ําเลยนะมันจะรู้นะว่าควรจะทำอะไรแล้วถ้ารถกว่อมแล้วเนี่ยส่วนไหนจะกระแทกนะหัวจะเป็นกระแทกผนังรถนียก็เปลี่ยนเอาไหล่ไปกระแทกแทน แทนที่จะหัวแบกก็แค่ไหลยอ่ออะไรเงี้ยมันมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้อันนี้หลวงพ่อได้ยินครั้งแรกจากหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็เป็นครูบาอาจารย์องค์ที่สามขหลวงพ่อองค์แรกคือท่านพ่อหลีองค์ที่สองคือหลวงปู่ดุลองค์ที่สามที่หลวงพ่อเรียนด้วยคือหลวงพ่อพุธฐานิโยท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านนั่งรถไปนะรถอยู่ริมเหวอ่ะ เสรจแล้วรถมันตกเขารถตกเขาเนี่ยลูกศิษย์ที่นั่งในรถนะึกถึงนเลยให้หลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อก็ตกลงมาด้วยอะไรนะลู้สึกให้หลวงพ่อช่วยนะท่านบอกว่าจิต ท, ท่านมันเด่นดวงขึ้นมาเห็นในรถกําลังวิ่งไปจะชนต้นไม้ต้นนี้นะพอมันเข้าใกล้ต้นไม้แล้วเนี่ยรถมันเฉล็บไปนะพอเฉล็บไปไปเจออีกต้นหนึ่ง จิตมันเป็นคนดูอยู่รถมันแฉลบกลับอีกเนี่ยมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาท่านบอกไอ้ต้นสุดท้ายเนี่ยมันหมดแรงนะทนหมดแรงว่ามันชนไอต้นสุดท้ายแต่ว่ามันเบาแล้วมันไม่ใช่ชันลงไปมันชันอย่างนี้นะเพราะมันค่อยๆลาดอย่างเงี้ยไอ้ต้นหลังๆเนี่ยมันอยู่ที่ลาดหน่อยก็บาดเจ็บกันนิดๆหน่อยๆท่านก็แค่เกรดัดยอกือถ้า อันนี้เป็นเรื่องของสมาธินะมันช่วยเราได้จริงจริแล้วจิตมันชวนโตขึ้นมาเนี่ยจะมีพลังมหาศาลเลยพวกเราไปฝึกเออทุกวันนะหายใจเข้าพูดธหายใจออกโทไปแล้วคอยรู้เท่าทัานจิตใจไปเรื่อยเวลาฉุกเฉินนั้นมันช่วยตัวเองได้ในนี้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยชอบขับรถเร็วนี้ใส่ไม่ดีรถก็หมุนใช่ไหมไม่ถึงความ ใจมันเห็นร่างกายเคลื่อนเป็นช็อตช็อตชอไม่อันตรายอะไระแต่ว่าถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิและไม่ต้องไปลองนะเอาไว้มันจำเป็นจริงๆแล้วมันค่อยไปพิสูจน์กันไม่ต้องไปทดลองดูหรอกเมื่อค่อยๆฝึกไปใช้ประโยชน์ได้มหาศาลเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใจที่มันมีสมาธิน่ะมันจะเห็นเลย ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันหมดเลยรนะ่างกายไม่เคยเจ็บความรู้สึกเจ็บมันแทรกอยู่ในร่างกายแล้วจิตใจก็ไม่เคยเจ็บนะความเจ็บมันอยู่เหมือนแทรกอยู่กับกายแต่ก็ไม่ใช่กายแล้วก็ไม่ใช่จิตด้เนี่ยมันจะแยกแยกแยกออกไปนะบางทีเจ็บป่วยมากมากเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้สมาธิรักษาตัวเองโรคบางโรคก็ใช้สมาธิรักษาได้บางโรคก็รักษาไม่ไหวบางโรคกรมตัดรอนถึงจะรักษาได้ก็รักษาไม่ได้ถึงเวลาที่กรมตัดรอนมีครูบาอาจารย์องหนึ่งนะคือหลวงปู่จันเขมรปตโตอยู่ที่หนองคาย ทางเมืองลาวเนี่ยนะนับถือท่านเยอะเลยที่นับถือมากนะเพราะว่าสมาธิท่านแรงมากเลยวันหนึ่งเนี่ยลูกชายรัฐมนตรีที่เมืองลาวก่อนจะไปคอมนิตนะลดความกระจกลดสมัยก่อนมันไม่ดียมันแตกแล้วมันทิ่มเข้าไปในลูกตาหมอบอกว่าตาบอดแน่นอนจะต้องผ่าออกนี่มหาท่านพ่อแม่ มาบอกท่านนิมนต์ท่านไปท่าไปสอนบอกพุโทโธไปไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะพุโทโธไปแล้วนะท่านก็พุโทโธกำกับนั่งอยู่ด้วยนะบวางคนให้กระจกที่ฝังอยู่ในโลกตานะ่มันละลายมันไหลออกมาเองนะไม่ต้องผ่านะตาไม่บอดนะนี่เป็นเรื่องของสมาธนะินี่ทำไมเทศเรื่องพวกนี้นะตื่นตัวจังเลย จะบอกพวกเรานะว่าทําทานมันก็มีประโยชน์นะถือศีลก็มีประโยชน์ทําสมาธิก็มีประโยชน์คราวหนึ่งหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่เทศนั่งรถตัวจากสีเชียงใหม่ข้ากรุงเทพขึ้นรถตัวรถตัวต ว, วิ่งมาแป๊บเดียวนะแอเซียรถตัวสมัยนี้เป็นยังไงไม่รู้แต่รถตัวโบราณเนี่ยคนแน่นเดียดเลยแล้วก็ กระจกก็ไม่ได้นะเปิดได้ที่คนขับที่เดียวอะกระจกเปิดไว้ด้านเดียวเนี่ยลมไม่เข้าหรอกลมจะเข้าต้องมีทางเข้ากับทางออกนี่มันไม่มีทางเข้าคนในรถเนี่ยทแทบจะตายเลยตั้งหลายชั่วโมงนะจากสีเชียงใหม่สมัยโบราณเนะียถนนเล็กๆวิ่งมาอูดอนอูดอนมาข อ, อนแก่นเข้าถนนเล็กๆ ต่างแคบแคบมาช้าช้านะถ้าสบายก็นอนหลับมาได้นี่หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกบานคนอาจเจียนเลยนะเครียดจัดอาจเจียนเลยไอ้คนังข้างยิ่งปวดหัวหนักเข้างปนอกจะอากาศไม่ค่อยมีแล้วยังอากาศเหม็นสะอีกนะยหลวงพ่อก็ถีว่านั่งปิดหน้าต่างแต่หน้าต่างเป็นกระจกนะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงแนละ้ว จะหนีลงจากรถก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อนึกถึงหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นเคยไปอยู่ที่ถ้าเชิงดาวแล้วในถ้ำเนี่ยมันทึบมากท่านทําใจกําหนดกสินช่องว่างเหมือนกับผนังถ้ำเนี่ยมันบูมเป็นช่องว่างอนึกถึงท่านอย่างนี้นะทําใจสบายๆมันมีความรู้สึกเหมือนว่ารถเนี่ยไม่มีกระจก ลมเนี่ยโชยเข้ามาแผ่วๆนะเราสดชื่นจังเลยสดชื่นสดชื่นนะมาถึงกรุงเทพเนี่ยคนอื่นเขาแทบจะคลานลงจากรถนะเราสดชื่นสบายลงจากรถนี่เรื่องของสมาธินะเอาไปใช้ทางโลกใช้ได้สารพัดแล้วแต่ความฉลาดที่จะใช้หลวงพ่อเคยกล้ามเนื้อหลังยอกไปอยู่ที่วัดป่าอย่างหนึ่ง เราค้นึกขึ้นได้ว่าเราไม่มีที่พึ่งแล้วยาสักเม็ดพาราสักเม็ดเราก็ไม่มีนจะทํำยัำยงไงดีก็ทำสมาธิเอานะต่ น, นั้นนั่งตรงๆก็ไม่ได้นะนั่งตัวเอียงนอนก็ไม่ได้นอนก็ปวดนั่งตัวตรงก็ปวดต้องนั่งเอียงๆอย่างนะีถึงจะอยู่ได้ก็รู้เลยว่าคือนั่งเอียงๆอย่างนี้จนสว่างเนะนี่ยพรุ่งนี้จะติดเดี่ยงวันนี้จะ แ, แย่วันนี้ เราไม่ได้ทําไงเราก็ทาสมาธินะแผ่เมตตาไปเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าภูเขาลูกเนี้ยภนะูสิงห์ภูเขาลูกเนี้ยนะมีเทวดามีฤทธิ์เยอะเวลาครูบาอาจารย์ทุดดงไปมีปัญหาอะไรบางทีเขาก็ช่วยนะเขาก็ช่วยเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกบอกพูดเราเองอะนะ ไม่ได้ไว่าเห็นตัวเห็นตอนอะไรเราไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรมากมายทักหรอกมมีแต่ความเมตตาแฟงเมตตาไฟแฟงเมตตาไ ป, แ, ตตาไปแล้วก็กำหนดจิตบอกบอกว่าเรามาทำบุญมาสร้างคุณงามความดีทำทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาอยู่เนี่ยแต่เวลานี้เราเจ็ป่วยเราไม่มีที่พึ่งยาสักเม็ดหนึ่งก็ไม่มีคนที่จะช่วยดูแลเราสักคนหนึ่งก็ไม่มีอยู่คนเดียวเลย พระอาจารย์เจ้าของวัดนะเห็นหน้าหลวงพ่อเนยะท่านให้ขึ้นไปอยู่กุฏิเชิงเขาสูงขึ้นไปคนอื่นอยู่ศาลา ร, ารวมๆกันนะเราไปอยู่คนเดียวนะไม่มีที่พึ่งที่อาศัยยาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็บอกเทวดาเพราะว่าถ้าไม่ไม่เกินกรรมนะช่วยได้ก็ช่วยด้วยเถอนะเพราเราังมาสร้างคุนงางความดีน้เรา บาเจ็บซะแล้วพออธิษฐานเสร็จหลวงพามีตะเกียงแบตเตอรี่อยู่ดวงเล็กๆคู่ตั ค, คู่ยากขึ้นไปอยู่คุติบนเขาอะ่นะจะลงมาห้องน้ําก็ต้องไต่ลงมานะต้องหินละเกะระกะไม่มีไฟเนี่ยเดินลาบากมากไอ้ตะเกียงของเราเนี่ยสว่างวาบวาบวาบสามครั้งเนะี่ยแล้วเร า, านั่งตัวเอียงอย่างเงี้ยเห็นตะเกียงสว่างนะตกใจเฮ้ย สมบัติชิ้นสุดท้ายที่ติดตัวจะพังอีกแล้วเหรอเนี่ยหยิบมันขึ้นมาดูนะเปิดปิดเปิดเปิดมันก็ไม่เสียนะ่ะก็วางลงไปทำไมมันมันก็ไม่เสียมันสว่างวับวับวับสามทีเนาะพอ ว, วางแล้วนึ่งได้ห้าหลังตรงแล้วนะไอ้ที่อยากเสพเนี่ยหายแล้วล่ะะไม่ใช่หลวงพ่อเก่งนะหลวงพ่ออธิษฐานขอเทวดาเพราะพวเราจเจริญเมตตาไว้นะชวนตัวขึ้นมาคนอื่นเขาก็อยากช่วย นคนหน่ก็อยากช่วยในเรื่องของสมาธิการเจริญเมตตาพรหมิหารนะถ้าสูงขึ้นก็เป็นเมตตาปรมัญญาเมตตาพรหมิหารเนี่ยเป็นการแผ่เมตตาเฉพาะบุคคลนะแผ่ให้ควายตัวนี้เสือตัวนี้ให้งูตัวนี้หรือนะให้คนคนนี้อะไรเงี้ยถ้าแผ่ปรมัญญาเนี่ยแผ่ไม่มีขอบเตนะขตครอบโลกธาตุเลย จะกว้างกวงมากแต่คนนี้แผ่อัปมัญญาได้สมาธิต้องแรงพอนะมีแรงนิดเดียวจะไปแผ่กว้างๆนะเหมือนมีหลอดไฟห้าแรงเทียนอาจะแผ่ทั่วห้องเนี้ยนะหายไปหมดหาไม่เจอแล้วมจี้อยู่แถวนี้ยังพอดูอะไรได้ก็อย่างสมาธิเราทีเวลาเราเจริญเมตตานะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณกว้างกวาง แล้วเวลาเราจะทำสมาธิต่อนะเวลาใจที่มีเมตตาเนี่ยนะทรงจิตอยู่กับความเมตตาไว้เมตตาเป็นอรูปนะเมตตาเป็นอรูปจิตจะกระโดดเข้าอารูปฌานไปโดยไม่ต้องผ่านรูปฌานะเพราะฉนั้นเวลาเราจเจริญเมตตาเนี่ยจิตเข้าอปพนาสมาธินะจะไม่มีนิมิตอย่างถ้าเราใช้ลมหายใจใช้กรสินเนี่ย ก่อนที่มันจะสงบมนะจะเกิดนิมิตปฏิภาคขึ้นมาจะเป็นดวงขึ้นมาสว่างกําหนดได้อย่างนู้นอย่างนี้แต่อย่างเมตตาจะไม่มีจุดไม่มีดวงนะไรขอบไรเขตคนละแบบกันเพราฉะการเข้าอานาจะมีสองแบบแบบหนึ่งเข้าโดยกรรมฐานที่ทําให้มีปฏิภาคนิมิตอีกอานหนึ่งเป็นกรรมฐานที่ไม่มีนิมิตนะ เนี่ยเรื่องของสมาธินะ่าสนุกสนุกเรียนชาติเดียวไม่จบหรอกนะเรียนหลายชาติมาโหงด้ทานก็ทำอะไรได้แปลกๆนะแต่ว่าไม่เล่าดีกว่าเสียเวลานะเราก็ชอบชอบนะเรื่องนี้นะสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะก็คือสมาธิที่จิตใ จ, จอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเราแผ่เมตตาเนี่ยความรู้สึกเราจะกระจายออกไป เราเพ่งกสินความรู้สึกเราจะเคลื่อนออกไปนะแล้วเราทำกรรมฐานไปรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจใจเราก็จะเคลื่อนจิตเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเราพัฒนาจากสมาธิที่จิตเคลื่อนไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวมาเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นแล้วรู้อารมณ์นะก็ใช้กรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหลนะอย่างเราแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาหรือพุโทโธเรือาย ใ, ใจไปนะ ใช้อย่างที่เคยทำแต่ให้ความสนใจให้ความใส่ใจที่จิตไม่ได้ไปให้ความใส่ใจที่ตัวอารมณ์อย่างเราแผ่เมตตาเนี่ยนะใจเราจะว้างเราเราไม่สนใจจิตใจตัวเองนะมันจะกว้างขวางไม่มีขอบไม่มีเขตโอ้มีความสุขบอกไม่ถูกแต่คราวนี้แทนที่จะให้ความสำคัญกับเมตตาหรือให้ความสำคัญกับอารมณ์เนให้ความสาคัญกับจิต พุทโธพุทโธไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธไปจิตสงบรู้ว่าสงบนะพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดโดยเฉพาะการรู้ว่าจิตหนีไปคิดนั้นดีมากๆเลยจิตที่ห nope. totally. น genauso, ีไปคิดคือจิตที่มีโมหะนะมีความฟุ้งซ่านมีกิเลสที่ชื่ออุทัจจะความฟุ้งซ่านงั้นเวลา เราพุโทโธเราหายใจหรือเราเจริญเมตตาแล้วมันลืมกรรมฐานของเราไปหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันอ้าวจิตหนีไปแล้วคอยรู้ทันจิตไว์เอาจิตเป็นพรอเอกอาจิตเป็นนางเอกละไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นที่พึ่งที่อาศัยอีกต่อไปงั้นเราทำกรรมฐานนะพุโทโธพุโทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุโทโธรู้ทันพอรู้ทันนะจิตที่หลงก็จะดับจิตที่รู้ก็จะเกิด เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าจิตผู้รู้นะคําว่าจิตผู้รู้เนี่ยเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนเนีเข้าไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยจะได้ยินแต่คำว่าจิตผู้รู้หาวงนี้ท่านก็พูดถึงจิตผู้รู้องนี้ก็พูดถึงจิตผู้รู้นะ่ะตอนเราหัดใหม่ๆแล้วก็ก็ไม่เข้าใจภาวนาไปแป๊บหนึ่งโอ้ยตัวนี้เราเห็นมาแต่เด็กแล้วจิตที่มันเป็นคนดู จิตที่ทาหน้าที่รู้อารมณ์ไม่ใช่จิตที่ทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเป็นจิตที่ทำหน้าที่รู้อารมณ์รู้อารมณ์คือรู้อะไรรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลทภาคือสิ่งที่กระทบกายรู้นามธรรมทั้งหลายหรือธรรมอารมณ์ทั้งหลายธรรมอารมณ์ไม่ใช่นามธรรมอย่างเดียวนะรู้ประธรรมจำนวนมากก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นสิ่งที่รู้ด้วยใจ อย่างเราลองหลับตาแล้วลองขยับเนี่ยเรารู้ด้วยตาหราือรู้ด้วยหูเนี่ยเรารู้การเคลื่อนไหวเนี่ยรู้ด้วยใจรูปที่เคลื่อนไหวเรียกบิณฑติรูปเป็นรูปที่รู้รด้วยใจฉะนั้นธรรมารมณ์เนี่ยบางส่วนเป็นรูปนามธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์นะแล้วก็บัญญัติก็เป็นอารมณ์นี่เป็นถึงอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ งั้สิ่งที่รู้ได้ตาหูจมูกเลี้ยงแก่ใจเรียกว่าอารมณ์จิตมันเป็นคนรู้อารมณ์เช่นความสุขเกิดขึ้นจิตก็รู้ว่าความสุขเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นคนดูขณะนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมพวกเรานั่งอยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ไม่ต้องไปหานะว่าจิตอยู่ที่ไหนหลวงพู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อว่าถ้าเราใช้จิตสแสวงหาจิต อีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอท่านสอนขนาดนี้เลยหาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอไม่ใช่หาสิบนาทีอย่างพวกเราหาไม่เจอแล้วก็แล้วกันไปให้ภาคเพียรทั้งตลอดกลับหนึ่งก็ไม่เจอให้เราไม่ต้องไปหาตัวผู้รู้เราให้รู้ทันเวลามันหลงแนะทันทีที่รู้ว่าจิตหลงนะจิตหลงจะดับแล้วจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เราจเจริญปัญญาไม่ได้ อย่างขนาดนี้ร่างกายเรานั่งอยู่จิตมันรู้ว่าร่างกายนั่งร่างกายหายใจนตอนนี้ร่างกายหายใจออกหรือหายใจเข้าถูออกไหมต้องวางฟอร์มไหมถึงจะรู้ว่าตอนนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าไม่ต้องเลยใช่ตอนนี้หายใจออกหรือเปล่าหรือหายใจเข้ารู้ไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้ไหมเห็นไหมแค่ไม่ใจลอยเท่านั้นน่ะมันก็รู้แล้วว่าร่างกายจะหายใจออกหายใจเข้า ร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนร่างกายจะเคลื่อนไหวร่างกายจะหยุด น, นิง่งแค่ไม่ลืมตัวนะไม่เหมอไม่ใจลอยลืมเนืลืม Lars, ตัวแค่นี้ก็รู้สึกได้แล้วว่าร่างกายมันกําลังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเราพยักหน้าซีเนี่ยเดียนี้เริ่มพยักหน้าเป็นล้วแต่ก่อนพยักหน้าไม่เป็นนะรา หลงพ่อบอกพยักหน้าสิหลวงพ่อคิดถึงกิ้งก่าว่ะกิ้งก่าวเวลามันพยักหน้านะฮ้ยนะทำอย่างนี้นะเรานักปฏิบัติทำตัวเสมอด้วยเดระจฉานเ <c oughs> มื่อกี้หัวเราะรู้ไหมใครหัวเราะเห็นไหมว่าร่างกายหัวเราะเห็นเปล่า อย่าบอกว่าเห็นนะเมื่อกี้เนี่ยเราหัวลอ้อเมื่อกี้เราหัวเราอถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้มันจะเห็นว่าร่างกายต่างหาที่กําลังหัวล้ออยู่จิตเป็นคนรู้คนดูนะแต่ถ้าจิตเป็นคนรู้คนดูมันไม่ค่อยหัวล้อหรอกนะจิตมันเบิกบานก็หัวลอ้อนะเบิกบานในธรรมะก็หัวเราะยิ้มนะจิตลงโลกมีราคะก็ยิ้มได้หัวล้อได้ ก็มีเหตุของการหัวเราะเยอะๆเลยแล้วเราคอยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวหเปลี่ยนแปลงขันนะสมวยคันนะเก่าคันรู้ว่าคันจอนนะมีทุกขเวทนาเกิดแล้วคือคันเก่ารู้ว่าเก่าเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวถ้าร่างกายเคลื่อนไหวหหจิตเป็นคนดูเนี่ย แป๊บเดียวมันจะรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูพวกเราไปสังเกตดูวอะไรที่ถูกรู้ถูกดูอันนั้นจะไม่ใช่ตัวเรานะี่เห็นแก้วน้ำนี้ไหมใครเห็นแก้วน้ำนี้เป็นตัวเราของเราบ้างของเราอาจจะมีนะมันเฮ้ยสวยวันนี้ของเราแต่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นตัวเราถ้าเห็นว่าแก้วน้าเป็นตัวเราก็บ้าแลนะ้ว ถ้าเราเห็นแทนที่จะเป็นรูปภายนอกเข้ามาเป็นรูปภายในคือร่างกายเนี้เราจะเห็นเลร่างกายที่หายใจที่ยืนเดินนั่งนอนที่คู่ที่เหยียดอะไรเนีมันถูกรู้ถูกดูอยู่มันไม่ใช่เราเนี่ยล้างความเห็นผิดว่ากายรูปนี้เป็นเราไปถ้าไปอย่างเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ เกิดขึ้นทางใจเ้วก็มีสติรู้ทันนะมีสุขมีทุ ก, ก็รู้มีสุขมีทุกมีเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้นะสติเป็นคนไปรู้นะใครเป็นเจ้าของการรู้นั้นนะจิตเป็นตัวผู้รู้จิตเป็นคนรู้แต่จิตอาศัยสติเป็นเครื่องมือไปรู้นะะจิตถ้ามีสมาธิหล่อเลี้ยงจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้อยู่แล้วเวลาที่จิตเป็นผู้รู้เนี่ย เวทนาจะไม่ใช่ตัวเราเพรากเราคนไหนคันบ kind of right. ้างตอนนี้มีไหมหรือคนไหนกําลังปวดเมื่อยปวดเมื่อยอย่าเพิ่งขยับนะคันอย่าเพิ่งเกานะรู้สึกไปรู้สึกไหมความปวดความเมื่อยความคันเนี่ยเป็นของถูกรู้ดูตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งเกาอย่าเพิ่งขยับความปวดเมื่อยความคันเป็นของถูกรู้สัเขตไหมความปวดเมื่อยไม่ใช่ตัวเราหรอก มันเป็นอีกส่วนหนึ่งจิต ท, ที่เป็นคนรู้มันไม่ได้ปวดได้มุ่ยด้วยนะความปวดมุ่ยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาความคันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาแล้วจิตไปรับรู้เข้านี่หัดสังเกตไปเรื่อยสังเกตไปสังเกต ร, ร่างกายนะเ้าก็เห็นร่างกายไม่ใช่เราสังเกตเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกาย ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจเราจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราก็จะเห็นนะสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูอยูนะ่นี่เราก็ล้างความเห็นผิดว่าตัวเวทนาเป็นตัวเราต่อไปเรามาดูตัวสัญญานะความจำได้ความหมายรู้รู้สึกไหมบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้สั่งไม่ได้นะ บางทียิ่งท่าแก่ขึ้นมาขนาดหลวงพ่อเนี่ยเทศอยู่นะบางทีธรรมะเทศเทศอยู่เนะี่ยเราเอนดึกธรรมะออกนะฉินถ่ายทอดขึ้นมามันนส่ายทอดเร็วเราพูดไม่ทันนะพูดไม่ทันนมันดับไปแล้วหายไปแนละ้วบางทีเทศเทศแล้วธรรมะด้วนไปหน่อยหนึ่งพวกเราเคยไหมเห็นหน้าเพื่อแล้วจําชื่อไม่ได้ บางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้แล้วถ้าแก่นี่นะทีเห็นคนนี้เรียกชื่อได้เลยแล้วผ่านไปอีกห้านาทีไอ้คนนี้มันชื่ออะไรวะใครเคยเป็นบ้างยกมือซิยกซิแกนะ่แก่แล้วนะนี่สัญญานะก็บังคับมันไม่ได้นะสังขารนนะ่ะความโลภความโกรธความหลงเวลาความโลภมันเกิดนะ อย่าเพิ่งตามใจมันนะอย่าเพิ่งตามใจมันด้วยการวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปหาอะไรกินนะวิ่งไปสัมผัสน่นสัมผัสนี่นะแทนที่จะความโลบเกิดเนี้ยแทนที่จะตอบสนองมันไปเลยนะมีสติมีดีเลยถามนิดนึงมีจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโลบเนียเป็นของถูกรู้ถูกดูความลไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วทาไมจะต้องไปตามใจมัน ทันทีที่รู้จักมันนะมันจะหนีทันทีเลยเพราะฉะนั้นพวกมารกิเลสมารเนี่ยถ้าเมื่อไหร่สติรู้ทันนะกิเลสมารก็เจิดกระเจิง เ, เลยนะหนีทันทีเลยอย่างพวกในคำพีจะมีในพระไตรปิฎกเวลาพวกมารมาหลอกพระอรหันต์หลอกพระพุทธเจ้านะ่ะท่านทักทายมาร น, นะมานเนยเรารู้จักแจ้แล้วนะ มารได้ยินเทนะ่านั้นะมารสยดสยองนะฉันนี้ไปเลยมีมารตัวหนึ่งนะเข้าไปสิงอยู่ในท้องของพระโมคคลาทําให้ท้องของท่านอุดอัดหนักเชียวนะท่านก็มองไอ้ข้ายังไม่ได้ชันเลยทำามแน่นอย่างเนี้ยดูลงไปเห็นมีมารตัวหนึ่งนะเป็นพวกเทวปุถุมารม่แกล้งท่านเข้ามาอยู่ในท้องท่านนะท่านดูไปพบท่านจับได้ท่านรู้ได้ไอ้มารตัวเนี้นะเป็นหลานของท่านเอง ท่านก็เคยเป็นมารเหมือนกันแล้วท่านมีมาร น, น้องสาวเฮ้คนเนี้ยเป็นลูกของน้องสาวท่านก็เรียกชื่อมันเลยบอกเฮ้ยออกมาได้แล้ว ร, รู้ทันแล้วนั่นตกใจนะว่าพระท่านรู้ทันหนีไปเลยพวกมารทั้งหลายไ ป, ประจญพระพุทธเจ้าวาสวรติมารพรุทธเจ้าทักทายมารท่านนั้นมารหนี่เลยมารเนี่ยกลัวการรู้จักมารมีห้าอย่างนะกิเลสมานเนี่ย กรัวการรู้จักมากที่สุดเลยถ้าเมื่อไหร่ราคาเกิดเรารู้ทันว่ามีราคานะราคาจะหนีไปทันทีเลยจะดับทันทีเลยถ้าโทสะเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีโทสะนะโทสะจะดับทันทีเลยนะมันอยู่ไม่ได้ถ้าใจมันหลงมีโมหะเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงนะความหลงจะดับทันทีเกิดจิตรู้ขึ้นทันทีเลยอย่างเวลาจิตมีราคารู้ว่ามีราคาปุ๊บราคาดับปุ๊บ จิตผู้รู้ก็เกิดนะมีโทสะโทสะเกิดขึ้นมามันจะสอนให้เราทํำลายล้างสิ่งต่างๆก็จะไปเชื่อมันดูมันสัก่อนที่จะทําตามมันนะราคาเกิดก็ดูสัก่อนที่จะตามมันโทสะเกิดก็ดูสัก่อนที่จะตามมันก็จะเห็นนะ่โาโทสะก็เป็นของถูกรู้ของถูกรู้ถูกดูเป็นของภายนอกมเข้ามาหลอกเราเป็นมานเข้ามาหลอกนะเรารู้ทันเท่านั้นมันหนีกระจกกระจิงเลยดับ ทันทีเลยนะเพราะะเราอาศัยมีสติรู้เท่าทันไปนะแล้วเราจะเห็นราคาก็ไม่ใช่เราโทสะก็ไม่ใช่เราโมหะก็ไม่ใช่เรากุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เรานะต่ไปเราก็จะสรุปได้นะความปรุงแต่งทางใจทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราเนะนี่ยค่อยๆดูมทีละขันทีละขันนะตัวรูปตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัวสุดท้ายตัววิญญาณ วิญญาณก็คือตัวจิตนั่นแหละแต่เป็นจิตที่ไปเกิดาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเป็นวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิธีที่จะดูให้เห็นว่าจิตเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมีจิตผู้รู้ก่อนถ้ามีแต่จิตผู้หลงนะเดี๋ยวหลงทางตาหลงทางหูไม่มีจิตผู้รู้เนี่ยจะรู้ไม่ได้เลยว่าจิตหลง เรารู้ว่าจิตหลงได้เพราะเรามีจิตรู้ถ้าคนที่หลงอย่างเดียวไม่เคยมีจิตรู้ขึ้นมานะหลงอยู่ก็ไม่รู้ว่าหลงคิดว่าฉันรู้ตัวอยู่ตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหาที่เมืองกาญจน์หลวงพ่อเห็นก็นั่งหลงนะหลงเราก็บอกว่ารู้สึกตัวไว้อย่าหลงอุ้ยเขาโมโหนะสะบัดหน้าวุ๊บที่ฉันไม่เคยหลงเลยนะเราอ็ อนุโมทนานะนกลัวเลยไม่กล้ายุ่งด้วยเพราะฉะนันะคนที่หลงเป็นอย่างเดียวไม่เคยรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่รู้ว่ามันหลงนะเหมือนคนซึ่งมันเกิดมาข้างกองขยะมันได้กลิ่นขยะทุกวันนะมันไม่เคยเหม็นขยนะนี่ถ้ามันไปสูดอากาศบริสุทธิ์มาสักหน่อยหนึ่งนะแล้วกลับมาที่เดิมที่เคยอยู่โดยไม่เหม็นถึงจะรู้ว่าเหม็น จิตของเราเนี่ยมันอยู่กับความหลงมาตลอดถ้าไม่หลงไม่เกิดหรอกที่เกิดมาก็พพนะเพราะเพราะหลงนะเพราะฉะนั้นเราเคยชินกับความหลงเรามาฝึกจิตจนมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาวิธีฝึกบอกแล้วนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหลงไปจิตนี้วิคิดเลยรู้ทันแล้ว ไ, ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาพอเรียนมีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยพอจิตมันหลงปั๊บเนี่ยสติเกิดสติเกิดปุ๊บเนี่ยจิตผู้หลงเนี่ยจะดับ จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแทนแล้วไม่จะรู้ว่าโอ้จิตหลงไม่เที่ยงจิตหลงก็ห้ามไม่ได้นะรักษาไว้ไม่ได้ด้วยวัตติเกิดจิตหลงดับเองไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับมีจิตรู้อยู่ชัวคราวนะเ๋ยมีสิ่งเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่จิตกระโจนลงไปนะเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตรู้ก็ดับเกิดจิตที่หลงขึ้นมาแทน หลงดูหลงฟังหลงดมกลิ่นหลงริ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายหลงคิดนึกทางใจเ่อมเกิดจิตหลงขึ้นแทนพอมีสติรู้ทันจิตหลงก็ดับจิตรู้ก็เกิดเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้จิตหลงก็ไม่ใช่เราพวะเราเคยได้ยินหรือเคยสวดอนัตตลักษณสูตรไหม อนัตตลักขณาสูตรเป็นสูตรที่สองที่พระพุทธเจ้าสแสดงสูตรที่หนึ่งชื่ออะไรพระสูตรที่หนึ่งชาพุทธตอบได้ไหมชื่ออะไรชื่ออะไรธรมมจักรกัพพวัตตนสูตรพอแสดงธรรมจักรครั้งที่หนึ่งพระโกลทัญยะได้โสดาท่านสแสดงซ้ําอ แต่และองค์แต่และองค์นั้นก็ได้จกระทั่งครบห้าองค์ได้โสดาบันพอห้าองค์นี้ได้โสดาบันท่านแสดงอนัตตลักษณสูตรธรรมจักเนี่ยท่านจะสอนว่าสิ่งที่ไม่ควรทํามีสองอย่างนะคือย่อหย่อนกับตึงเกินไปก็เพลกระเพ้งนั่นแหละะที่หลวงพ่อใช้คำภาษาไทยไง่ายๆเพลไปมันก็ย่อหย่อนตามกิเลสไปเพ่งอยู่บังคับกายบังคับใจอยู่ งั้นเข้าสายกลางได้นะ้วแล้วก็รู้ว่าทางพน้นทุก์เนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นทางพน้นทุกเพรู้หลักเบื้องต้นอย่างเนี่ยนะปัญจวัคคีก็ได้โสูตรดับันะรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางแน่นอนนะไม่หลงอีกแล้วพอพรอนะ้อมแล้วท่านแสดงอนัตตลกนาสูตรนะท่านก็ถามปัญจวัคคีว่ารูปเที่ยงหรื อ, มญญอไม่เที่ยงปัญจวัคคีบอกไม่เที่ยงพระเจ้าข้า พระเจ้าถามต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์หมายถึงถูกบีบขั้นของที่ไม่เที่ยงเท่าไหร่ริวนแต่ถูกบีบคั้นทั้งนั้นสิ่งที่ถูกบีบคั้นอยู่เนี่ควรรู้สึกว่าเป็นเราตัวเราของเราไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะท่านไล่รูปว่ารูปเนี่ยตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วท่านก็มาถามต่อละเวทนาละเที่ยงหรือไม่เที่ยง ปัญจักคีบอกไม่เที่ยงของไม่เที่ยงนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ของเป็นทุกข์ควรจะเห็นว่าเป็นตัวเราของเราไหมก็ไม่ควรสัญญาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารความพรุงดีพรุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิญญาณจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพาปัญจักคีเข้าใจขันห้าทองแท้ครบแล้ว สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือขันห้านี่เองพอเห็นความจริงแล้วขันห้านี่หาสาระแก่นสารไม่ได้จิตท่านปล่อยวางขันห้าท่านมารู้พระอรหันต์นะงั้นที่หลวงพ่อสอนเนี่ยก็คือให้พวกเราหันเดินตามรอยของพระปัญญวัคขีแต่คนที่เรียนแค่ปริญญาต์ไม่ได้ปฏิบัตินะก็คิดว่านั่งถามตอบเหมือนอาจารย์เรียนนักเรียนพระอาถาม รูปเที่ยงหรไงืไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะเป็นทุกข์อะไรย่างเงี้ยไอ้ที่คิดคิดเอาเอางนนะใช้ไม่ได้ต้องดูของจริงจริงที่หลวงพ่อบอกนั่งดูรูปก็ดูมันจริงๆรงินะรูปเนี้ยมันหายใจออกรูปเนี้ยมันหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่เที่ยงใช่ไหมหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงดูจากของจริงยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงโคหรือเหยียดก็ไม่เที่ยง แล้วก็รูปเนี่ยทําไมต้องเคลื่อนไหวเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลารูปนี้มันทุกขนะ์ต้องรู้สึกจริงๆเนี่ยทำไมต้องเก่านะเพราะมันคันมันทุกข์ใช่ไหมทําไมต้องขยับเพราะมันปวดมันเมื่อยเนี่ยดูของจริงเข้าไปนะปัญจวัคคียนะ์เห็นของจริงนะถึงได้พรญญรู้พารหันไม่ใช่นั่งตอบโจทย์แบบติวเตอร์สอนให้ไปสอบได้แต่ไม่มีความรู้นะ ต้องมีความรู้ไม่ต้องสอบก็ได้เะนั้นดูจากของจริงดูรูปเพื่อดูรูปจริงๆจิตเป็นคนดูถ้าไม่มีจิตผู้รู้จะดูรูปไม่ได้ดูเวทนาก็ดูเวทนาจริงๆอย่างที่สอนไปไม่ใช่นั่งคิดเอาเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงของไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์มันคิดไปเหรอนะอีกขี่กลับมันก็ไม่บรรลุอะไรหรอกนะนอกจากบรรลุความฟุ้งซ่าน ใจฟุ้งซ่านคิดอุตาลุดไปดูจาของจริงไปรูปเอธนาสัญญาสังขารสุขทุกข์ดีชั่วไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตจิตบางทีก็ไปดูรูปแว็บเดียวก็ไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายไปคิดนึกที่ใจต้องระวังอย่างหนึ่งนะถ้าสติเราไม่เร็วนีเราจะคิดว่าจิตมีดวงเดียว จิตอยู่ตรงนี้เวลาจะดูรูปก็วิ่งออกทางตาไปปุ๊บไปดูพอดูพอใจแล้ววิ่งกลับมานี่เหมือนแมงมุมนะวิ่งออกไปทางน้อนแล้ววิ่งไปทางนี้นะแล้วก็วิ่งกลับอนะันั้นยังดูจิตไม่ขาดนะดูจิตไม่เป็นถ้าดูจิตเป็นไปเห็นนะจิตรู้เกิดแล้วดับปับ๊บมันเกิดจิตดูขึ้นมาแทนจิตดูเกิดแนละ้วแวบเดียวช่วขณะเดียวก็ดับปั๊บนะเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนสาหรับ ผู้ที่มีจิตรู้นะถ้าเป็นผู้ไม่มีจิตรู้จะเกิดจิตหลงขึ้นมาแทนนะีจิตรู้อยู่ชั่วคราวเนี่ยก็เกิดจิตฟังจิตฟังอยู่ชั่วคราวดับไปเกิดจิตรู้อันนี้สําหรับผู้ปฏิบัติสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติก็คือจิตหลงอยู่ช่วคราวนะก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดมีแต่คำว่าหลงหลงตลอดเลยไม่เคยรู้เลยงั้นฝึกให้มีจิตรู้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนขันห้า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปนะตาก็ทั้งจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเกิดดับตลอดเวลานะไม่ใช่มีดวงเดียวแล้วก็ตายแล้วจิตดวงนี้ออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดสัตสตาทิฏฐนะิเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้จริงแล้วจิตเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนี้พระพุทธเจ้าบอกงนี้งั้นถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะก็ต้องระวัง แล้ภาวนาแล้จิตเที่ยงบางคนมาเคยโจมตีหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อสอนผิดนทาไมสอนว่าจิตไม่เที่ยงจิตมันเที่ยงคำว่าจิตเที่ยงนะมันพวกฤาษีชีพไรอะไรที่เขนั่งเพ่งจิตนั่งเข้าฌานก็รู้สึกว่าจิตเที่ยงแต่ถ้าลูกเสร็จพระพุทธเจ้าจะรู้จิตเกิดดับอยู่ทางอริยธรรเกิดที่ไหนดับที่นั่นนะเกิดที่ไหนดับที่นั่น เกิดทางตาชั่วขณะนะก็ดับเกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายชัว่วขณะแล้วก็ดับเกิดทางใจเกิดเป็นขณะขณะเหมือนกันนะทําทงานเนี่เราจะเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตก็ไม่เที่ยงนะจิตก็บังคับไม่ได้จิตจะเป็นผู้รู้หรือจิตจะเป็นผู้คิดก็เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ดูของจริงไปนะเจนวันหนึ่งมันแจ่มแจ้งมันแจ่มแจ้งว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา จะได้เป็นพระสดาบันดูลงในขันห้านี้แหละแต่ถ้าจะเล่นทางรัดสนใจไหมทางรัดทางรัดดูเข้ามาที่จิตเลยจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วรู้ไปจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดรูมไปเรื่อยๆถ้าเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเสียตัวเดียวนะขันห้ามันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราโดยอันตโนมัติ โลกข้างนอกก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเดินอัตโนมัติล้างความเห็นผิดที่จิตดวงเดียวนะว่าจิตไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่เราโลกไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนเลยเห็นบรรลุสุนทรันตรงที่จิตนเองนะแล้วในขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติเนี่ยเห็นโลกนี้เป็นทุกข์เห็นขันห้าเป็นทุกข์นะรวมเข้ามาจะถึงจิตผู้รู้เห็นจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์เมื่อไหร่จิตจะวางจิต จิตปล่อยวางจิตนะจิตก็พ้นจากวัตฏะแล้ที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตวางจิตได้นั่นะถ้าจิตยังยึดถือจิตอยู่ยิบช่วยจิตอยู่เดี๋ยวมันก็สร้างรูปขึ้นมาใหม่สร้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาอีกนะงั้นรู้ลงที่จิตนะรู้ความจริงของจิตมันก็ละลงที่จิตเองหลวงปู่ดุลก็เคยพูดรู้ที่จิตละที่จิตนะรู้เรื่องไหม พญานารู้สึกไหมรู้สึกไหมพอหลวงพ่อถามว่าพญานารู้สึกไหมจิตแน่นเลยรู้สึกไหมมันแน่นกว่าเก่าไปดูจากของจริงนะวันนี้เท็จเท่านี้นแหละนะเดี๋ยวคุณหมอจะว่าหลวงพ่อพูดเกินชั่วโมงนะขอบคุณหมอนะช่วยดูแลหลวงพ่อเยอะเลยช่วยประสานงานช่วยให้ข้อมูลนะมูทนาด้วย จบอนนครับสําหรับปัจจัยและเทียรรมที่มีผู้นําถวายนะครับทางทีมงานจะนําถวายหลวงพ่อในลําดับถัดไปนะครับลําดัดถัดไปขอทุกท่านช่วยตั้งใจกล่าวคําถวายฐานร่วมกันนะครับ mm hmm. ข้าพรเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย mm hmm. เครื่องปัจจัยและเทียรรม กับสินของเงินเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมชโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตาบสิน้นการละดานเทินสาธุนะ